วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบสองกรกฎาคมพุทธศักราชสอง8ันห้ารหตรงกับวันแรมสองค่ำเดือนแปดซึ่งเป็นวันที่สองแห่งการจำพรรษาของพระภิกษุ ในปีนี้การชำรรษานี้เป็นพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์อยู่กับที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันไม่ให้เดินทางไปค้างแรงที่อื่นเพราะเป็นช่วงเพาะปลูกข้าวกับพืชต่างๆพระภิกษุถ้าเดินทางกันไป มาก็อาจจะไปเดินข้ามทุ่งนาทุ่งไร่แล้วก็ไปทำให้พืชไร่ที่เขาเพาะปลูกเกิดความเสียหายขึ้นมาได้พ่อองค์ก็เลยทรงกำหนดหรือบัญญัติให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาอยู่ตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันให้ออกพรรษาได้ในวัน แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ด น, นี่คือเขตของการจำพรรษาเริ่มต้นที่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดคือเมื่อวานนี้ไปถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นระยะเวลาสามเดือนด้วยกันการจำพรรษานี้ในปัจจุบันเราก็มีประเพณีธรรมเนียม ที่มากับการจาพรรษาของสัต ธ, ธาญาติโยมคือมีการถวายของสองอย่างด้วยกันอย่างหนึ่งก็คือเทียนจำพรรษาอีกอย่างก็คือผ้าอาบน้ําฝนซึ่งในสมัยนี้ญาณโยมอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องถวายเทียนทําไมต้องถวายผ้าอาบน้ําฝนด้วย เพราะว่าเหตุการณ์ในสมัยพระพุทธการกับเหตุการณ์ในสมัยนี้นั้นมันต่างกันไม่เหมือนกันในสมัยพระพุทธการไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนสมัยนี้ต้องอาศัยแสงเทียนหรือแสงของตะเกียงในยามค่ำคืนเพื่อที่จะได้ให้เป็นแสงสวา่างแะในช่วง เข้าพรรษานี้จะมีผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาอยากจะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากกว่าปกติคือมีการบวชเป็นพระกันซึ่งเป็นประเพณีธรรมเนียมสืบทอดกันมาสำหรับผู้ชายที่มีอายุยี่สปีขึ้นไป ต้กจะบวชเป็นพระกันช่วระยะเวลาหนึ่งพรรษาเพื่อได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นในช่วงเข้าพรรษานี้จะมีพระภิกษุเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากการที่จะต้อง ใช้เทียนเพื่อให้แสงสว่างในยามค่าคืนก็เลยต้องมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามจานวนของพระภิกษุที่มาบวชก็เลยมีธรรมเนียมในการถวายเทียนจำพรรษากันขึ้นมาเพื่อที่จะได้ใช้เทียนให้เป็นแสงสว่างในยามค่าคืนเพื่อจะได้ใช้กับการ พิธีกรรมับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุนี่คือสาเหตุของการถวายเทียนจำพรรษาแต่มาในยุคปัจจุบันนี้เรามีไฟฟ้าใช้กันไฟฟ้านี้จะสะดวกกว่าการใช้เทียนให้แสงสวา่าง อย่างนี้วัดว่าส่วนใหญ่ยกเว้นพระป่ายกเว้นวัดป่าที่อยู่ที่ไกลที่กันดารเท่านั้นที่จะไม่มีไฟฟ้าใช้ยานวัดส่วนใหญ่จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เทียนเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่สิ่งที่จะกลับมาจำเป็นก็คือค่าไฟฟ้านั่นเองอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนอกจากค่าไฟฟ้าแล้วก็เครื่องอุปกรณ์ที่เก่าการใช้ไฟฟ้าเช่นสายไฟเช่นหลอดไฟอะไรเป็นต้นเหล่านี้ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่มาแทนที่เทียนจำพรรษากั น, นในสมัยนี้ญาติโยมที่ฉลาดก็เลยเปลี่ยนวิธี แทนที่จะถวายเทียนจำพรรษาเป็นจำนวนมากก็อาจจะถวายพอประมาณพอไว้ใช้สำหรับการไหว้พระสวดมนมต์ทำวัดเช้าทมวัดเย็นแล้วก็ช่วยถวายค่าไฟหรือค่าไฟฟ้าแล้วก็พวกหลอดไฟต่างๆเป็นต้นนี่คือที่มา ของการถวายเทียนจำพรรษาอันนี้ก็เป็นการเล่าให้ฟังไม่ได้เป็นการเรียกร้องหรือเป็นการบังคับ <c oughs> ให้ถวายสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้แต่อย่างใด <c oughs> แต่พูดไปตามความเป็นจริง <c oughs> กับเหตุการณ์ <c oughs> ที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุค <c oughs> ในแต่ละสมั <c oughs> ย <c oughs> สมัยที่ไม่มีไฟฟ้าเทียนจะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สำคัญอย่างยิ่งยังมีการรอเทียนกันเป็นจำนวนมากกลายเป็นงานใหญ่โตขึ้นมาในยุคสมัยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แต่พอมาในยุคนี้แล้วพอมีไฟฟ้าใช้ความจำเป็นความจำเป็นของการใช้เทียนก็ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับ อันนี้คือเรื่องหนึ่งที่มากับการจำพรรษาหรือหรือช่วงจำพรรษาญาโยมอาจจะถามว่าทำไมต้องมาถวายแค่ช่วงจำพรรษาทำไมไม่ถวายช่วงอื่นช่วงอื่นก็มีความจำเป็นเหมือนกันไม่ใช่เหรอก็เจงอยู่ก็ยังมีใช้อยู่บ้างแต่น้อยกว่าช่วงเข้าจำพรรษา เพราะช่วงจำพรรษานี้จะมีศรัทธาผู้อยากจะมาบวชเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติธรรมตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าปกติโดยมีหลายสาเหตุส่วนใหญ่ก็เป็นการบวชตามประเพณีตามธรรมเนียมคือบวชเพื่อชดแทนบุญคุณของบิดามารดาผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีของบุตรที่ของบุตรมีความเคารพนับถือผู้เห็นความเห็นบุญคุณของบิดามารดาที่ให้กำเนิดและเลี้ยงตนมา mm hmm. จึงเชื่อว่าการบวชนี้จะเป็นการทำให้บิดามารดาสามารถเกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์ไปนิพพานได้ ความจริงจริงหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพระที่มาบวชนี้บวชแล้วสามารถบรรลุถึงสวรรค์ถึงพันิพานได้หรือไม่เพราะว่าถ้าบวชแล้วสามารถปฏิบัติจนบรรลุถึงพนันธิพานได้ก็สามารถเอาความรู้ที่ได้นี้ มาบอกมาเล่าให้กับบิดามารดาฟังเผื่อบิดามารดามีความสนใจอยากจะไปนิพพานก็สามารถเอาไปปฏิบัติตามได้ออก็อาจจะสามารถหลุออดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ออหรืออย่างน้อยเวลาบุตรมาบวชมาอยู่วัด ความรักความเป็นห่วงลูกก็จะทำให้บิดามารดานี้ต้องมาวัดมาเยี่ยมลูกอยู่เรื่อยๆตามปกติถ้าลูกไม่ได้บวชก็อาจจะไม่มีเวลามาเข้าวัดก็ได้พ่อโม่แต่ยุ่งกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่เลยไม่มีโอกาสที่จะมาวัดมาทำบุญได้มาทาก็อย่างมากในช่วงที่เป็นเทศกาลอย่าง ช่วงเข้าพรรษาช่วงออกพรรษาหรือวันนักขักตเตอร์เช่นวันวิสาขะวันมาฆาตวันนาสาลหบูชาเป็นต้นเท่านั้นก็จะไม่ได้ทําบุญอย่างเป็นล่ำเป็นสันเป็นเป็นกอบเป็นกรรมเหมือนกับเวลาที่มีลูกมาบวชที่วัดพอลูกมาบวชที่วัดอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ต้องมาวัดครั้งหนึ่งในวันพระเป็นต้น เพื่อมาเยี่ยมลูกมาดูแลสาระทุกสุขดิบแล้วในขณะเดียวกันก็เลยได้มีโอกาสได้มาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติทานมาปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาเป็นต้นถ้าได้มีการกระทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมไปอย่างต่อเนื่องโอกาสที่จะไป สู่พระนิพพานหรืออย่างน้อยไปสู่สวรรค์ย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอนนี่สาเหตุที่มีคำพูดว่าเป็นการเกาะชายผ้าเหลวบุตก็เลยคิดว่าการบวชของตนนี้จะช่วยดึงพ่อแม่ให้ไปสวรรค์ได้แทนที่จะไปอบายก็จะได้ไปสวรรค์เพราะบางครั้ง พ่อแม่บางคนอาจจะทําอาชีพที่ต้องเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ได้แต่พอมาได้มาวัดอยู่บ่อยๆได้มาฟังเทศฟังธรงธรมได้มาฟังถึงอนิสงค์ของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของการทําผิดศีลธรรมว่าจะเป็นเหตุให้ไปเกิดไนยบายทั้ง4ี่คือให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างให้เกิดเป็นเปรตบ้าง ไปเกิดเป็นนัำศูนละกายบ้างไปเกิดในน้ำนกบ้างก็เลยอาจจะทำให้เกิดมีความศรัทธาเริ่มรักษาศีลห้าขึ้นมาก็ได้แล้วก็เปลี่ยนอาชีพจากการชั่นอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนไปทำอาชีพอย่าง อ, างอื่นแทนก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีช่วยพ่อแม่ ดึงพ่อแม่ให้ออกจากอาบายก็ได้ถ้าพ่อแม่สามารถรักษาศีลห้าได้แล้วมาทาบุญทาทานการทาบุญทาทานนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะพาให้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆต่อไปด้วยถ้าแม่พ่อแม่เข้าวัดแล้วได้ยินได้ฟังทมได้ฟังเรื่องเหตุและผลของการทาบุญเหตุและผลของการทาบาป แล้วก็มาปฏิบัติมาละ ก, การกระทำบาปมาถือศีลห้าให้เป็นปกตินิสัยแล้วก็มันมาทำบุญอยู่เรื่อยๆจนสามารถทำบุญให้มีมากกว่าบาปที่ได้ทำไว้พ อ, อเวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะถูกอำนาจของบุญหรือผาบาปนี้ยึงไปทางใดทางหนึ่ง ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญบาปก็จะดึงให้ไปเกิดในอบายทั้งสี่ที่ด้วยกันที่ใดที่หนึ่งขึ้น อ, อยู่กับเหตุของการทำบาปว่าทำด้วยเหตุผลนันใดเช่นถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวย ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเกิดเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวคือเป็นอสูรลกายและถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกเกลียดชังตาต่อตาฟันต่อฟันนี้ก็จะไปเกิดในนรกพอรู้ว่าถ้า ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะพาให้ไปสู่อาบายใดอาบายหนึ่งในสี่อาบายนี้แต่ถ้าทําบุญมากกว่าทําบาปบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงใจไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆที่มีอยู่ถึงหชั้นด้วยกันซึ่งขึ้นอยู่กับการทําบุญมากน้อยเท่านั้นเองทาบุญมากก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นสูงมีความสุขมาก ทำบุญน้อยก็ไปสู่สวรรค์ชั้นต่ำที่มีสุขน้อยแต่ก็ดีกว่าไปไปอบายหรือดีกว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีอบายนี้มีแต่ความทุกข์ภของมนุษย์นี้มีทั้งทุกข์มีทั้งสุขสลับกันไปส่วนสวรรค์นี้มีแต่สุขเพียงอย่างเดียวเป็นสวรรค์เป็นความสุขแบบที่เกิดจากการทำบุญทำทาน เร <c oughs> งยังเป็นสวรรค์ชั้นต่ำอยู่ยังมีสวรรค์อีกสองชั้น <c oughs> ที่สามารถที่จะปฏิบัติดึงใจให้ไปสู่ความสุขที่มากกว่าได้ <c oughs> <c oughs> ก็คือสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นพรหมนี้จะต้องมีการปฏิบัติทำอีกข้อหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือการเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบ ถ้าทำใจให้สงบได้เข้าฌานได้ใจก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหม mm hmm. แล้วถ้าอยากจะไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นพรหม <c oughs> และเป็นสวรรค์ที่ย่งยืนถาวรคือสวรรค์ชั้นพระอริยะเจ้า mm hmm. ก็ต้องปฏิบัติธรรมอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาต้องสอนใจให้เห็นอริยสัจสี ให้เห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเช่นขันห้าเช่นร่างกายเวทนาสังขารวิญญาณเป็นต้นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถควบคุมบังคับให้เขาไม่เกิดไม่ดับได้ถ้าไปอยากควบคุมบังคับก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แล้วก็จะเป็นเหตุที่จะพาให้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ <c oughs> นี่คือสวรรค์ชั้นต่างๆที่บิดามารดาของของลูกที่มาบวชในวัดนี้อาจจะได้มาเรียนรู้และอาจจะมีความสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติมีบิดามารดาบางคนหลังจากที่ลูกศึกไปแล้ว วิดามันดาก็ยังมาวัดอยู่เรื่อยๆแต่ตอนที่บวชูด ล, ลูกยังไม่ได้บวชนั้นไม่ค่อยได้มาวัดเลยแต่พอหลังจากที่ลูกบวชช่วงที่ลูกบวชก็มาเยี่ยมบ่อยๆได้มาฟังเทศฟังธรรมได้นำเอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติจนในที่สุดก็เกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นสวรรค์เห็นนรก เห็นระบายเห็นมรรคผลนิพพานจึงทำให้มีความแน่วแน่มั่นคงต่อพระรัตนตรยัยต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่วแน่ต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ที่เราเรียกว่าเกาะชายผ้าเหลืองไปสู่สวรรค์หรือไปสู่พระนิพพานพานีเอง ก็เกิดจากเหตุที่ลูกชายมีความกตันอยู่กตวเวทีอยากจะมาบวชส mm. ำหรับลูกผู้หญิงนี้ก็บวชได้ <Yeah. S 1> แล้วก็บวชเป็นแม่ชีก็ได้เหมือนกันเหมือนกับการบวชเป็นพระ mm. แม่ชีก็รักษาศีลเหมือนกับรักแม่ชีก็มีศีลเหมือนกันแต <Yeah. Yeah. S 1> มีเสียไม่ค่อยดี แม่ชีก็ปฏิบัติเหมือนกับพระคือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเหมือนกับพระพราะมาบวชก็พระก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพียงแต่ว่าศีลของพระกับศีลของแม่ชีนี้ไม่ไม่เท่ากันศีลของพระมีสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าพระโซนกับแม่ชีแล่วแม่ชีนี้รักษา แปดข้อหรือสิบข้อก็พอสามารถใช้เป็นทางสู่ไปสู่พันิพานได้เช่นเดียวกันแล้วก็ต้องมาปฏิบัติสมาธิเหมือนกันมาฝึกเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบแล้วก็หลังจากนั้นพอใจสงบ ก, ก็มีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากเกิดจากการทำใจให้สงบ ก็จะมีพลังมีกําลังที่จะไปทำงานในทางปัญญาต่อไปเมื่อปัญญาสอนใจว่าเหตุที่ทำให้ใจทุกข์เหตุที่ทาให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมาไปอบายก็เกิดจากปัญหาความอยากต่างๆพอรู้ว่าปัญหาความอยากเป็นตัวปัญหาใจที่มีอุเบกขาใจที่มีสมาธิ ก็สามารถที่หยุดความอยากต่างๆที่เคยมีในใจให้หมดสิ้นไปได้พ mm. อ, อกำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป mm. ใจก็จะอยู่ที่พรานิพานนั mm. <IL PS. S 1> ้นสำหรับผู้หญิงก็สามารถแสดงความกตัญญูกตเวทีให้กับวิดามารดาได้เ mm. ช่นเดียวกับผู้ชายลูกผู้ชาย ยิ่งแต่การบวชนี้มีความเป็นมาต่างกันประเภยนีธรรมะการบวชผู้ชายกับบวชผู้หญิงนี่มันต่างกันแต่ก็คล้ายกันมีศีลเหมือนกันมีศีลศีลของพระก็ 7, สองร้อยเจ็ศีลของแม่ชีก็นอกจากศีลสิบแล้วยังมีศีลของพระที่เอาไปใช้ได้อีกเจดสิกว่าข้อด้วยกัน<ม>ก็สามารถปฏิบัติ เพื่อให้ไปถึงพระนิพพานได้เหมือนกันแล้วก็มีให้ชีบางรูปที่มีความเข้มแข็งมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาจนได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ก็มี mm hmm. อันนี้เป็นสิ่งที่ mm hmm. เกี่ยวกับการยึมมาบวชมาอยู่จำพรรษาของ ของคุลบุตรของลูกที่มีความกรตันอยูต่อบิดามารดามีความสำนึกในบุญคุณที่ได้สร้างตนมาได้เลี้ยงตนมาจนสามารถเติบใหญ่เป็นคนเต็มรูปแบบเป็นคนที่สามารถที่จะไปทำมาหากินหาความสุขต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมได้ ก็เลยตัดสินใจบวชกันในช่วงเข้าพรรษาเป็นเหตุให้พ่อแม่ที่อาจจะไม่เคยเข้าวัดเลยเพราะไม่มีเวลาว่างก็ต้องปลีกเวลามาเข้าวัดเพื่อมาเยี่ยมเยียนมาดูแลลูกที่มาบวชเลยทำให้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึางได้เอาไปปฏิบัติและเกิดผลขึ้นมา จึงทำให้อยากจะปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าเป็นการเกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์หรือไปนิพพานถ้าลูกไม่มาบวช<ม>ก็อาจจะไม่มีเหตุที่จะต้องมาวัดกันบ่อยๆก็อาจจะมาตามประเพณีธรรมเนียมปีละครั้งสองครั้งตามวันสำคัญต่างๆเป็นต้นเท่านั้นเอง แล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มาเรียนรู้เท่าที่ควร<ม>ก็เลยจะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปสวรรค์<ม>นี่คือเรื่องของการถวายเทียนพรรษาในช่วงเข้าพรรษา<ม>แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือการถวายผ้าอัน้าฝนการถวายภ้าอับน้ำฝนนี้ก็มีเหตุเกิดขึ้นในสมัยพระพุทธการ คือปกติในสบายพุทธกาลนี้ผ้าจะมีน้อยผ้าจะหาได้ยากเวลาเวลาคนมาบวชเป็นพระนี้ต้องไปหาผ้าที่ห่อศพทิ้งไว้ในป่าชาเอามาตัดเอามาเย็บเอามาซักเอามาย้อมให้เป็นผ้าจีวรสามผืนด้วยกันเป็นมีผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าหม่มหนึ่งผืนผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนจึงมีผ้า น้อยถ้าเกิดไปเปียกฝนเมื่อไหร่<ม>ก็อาจจะ<ม>ไม่มีผ้าแห้งมาเปลี่ยนได้<ม>เหตุการณ์นี้มีเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล<ม>เกี่ยวกับเรื่องการถวายผ้าน้ำฝน<ม>ก็คือมีนางวิสาขาซึ่งเป็นอุบาสิกาที่เป็นพระอาริยบุคคลเป็นพระโสดาบันมีจิตศรัทธานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคง มีความปรารถนาอยากจะถวายน้ำปานะให้กับพระภิกษทุที่อยู่จำบรรษาในวัดของพระพุทธเจ้าก็ เ, าเลยทรงก็ เ, เลยบอกให้สาวใช้ให้ไปที่วัดไปดูว่ามีพระอยู่กี่รูปด้วยกันเพื่อจะได้เตรียมน้ำปานะมาให้ครบจํานวนขณะที่ไปก็พอดีเกิดฝนตกหนักขึ้นมา และพอไปถึงว่าก็เห็นพระเปลือยกายอาบน้ําฝนกลางกลางแจ้งกันในการลานวัดก็เลยตกใจวิ่งกลับมาบอกนางวิสาขาว่าตอา น, นี้พระในวัดไม่มีเลยมีแต่พวกชีเปลือยมาอยู่แทนพอ น, นางวิสาขาได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจว่าพระท่านไม่มีพระอาบน้ําฝนนั่นเอง ถ้าท่านเอาผ้านุ่งที่ท่านนุ่งเป็นประจำมาอาบน้ำฝนผ้าก็จะเปียกเวลาอาบเสร็จแล้วก็จะไม่มีผ้านุ่งมาเปลี่ยน<ม>ก็เลยกราบทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้าขอให้ได้มีโอกาสถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระภิกษุในช่วงฤ ด, ดูฝนก็คือช่วงเข้าพรรษาหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็น เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์แต่ให้ถวายเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเท่า น, นั้นเองช่วงฤดูฝนและผ้าภิกษุหลังจากช่วงฤดูฝนแล้วก็ไม่ให้ใช้ผ้านั้นอีกต่อไปเพราะไม่มีความจำเป็นต้องการให้พ้าภิกษุอยู่แบบวักน้อยสันโดษให้มีสมบัติเครื่องใช้ไม่สอยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเท่าที่จำเป็น เป็นพระภิกษุนี้ทรงอนุญาตให้มีสมบัติอยู่8ชิ้นด้วยกันที่เรียกว่าอัฐบริคารคือมีบาทหนึ่งใบไว้สำหรับเลี้ยงสหรับบินทบาทเลี้ยงชีพแล้วก็มีผ้าไต่สามผืนผ้าจีวรผ้านุ่งผ้าหม่มไว้ําสำหรับนุ่งหม่มให้กับร่างกายเป็นสมบัติ4ชิ้นแล้วก็ให้ใช้ประคดเอวคือเข็มขัดรัดเอวอีกหนึ่งเส้น เป็นเป็นห้าชิ้นชิ้นที่หกก็คือให้มีใบมีดโกนไว้สำหรับปรงผมปรงหนวดแล้วชิ้นที่เจ็ดก็คือให้มีเข็มกลับได้ไว้สำหรับซ่อมจีวรเวลาจีวรขาดแล้วชิ้นชิ้นที่เจ็ดก็คือให้มีผ้าให้มีที่กองน้าที่ตักน้ำขึ้นมาจากลำห้วยลำคลองแล้วกองเอาตัวสัตว์ออกไปก่อนเรีว่าที่กองน้ำ พอสมัยโบราณนี้พระท่านอยู่ในป่ากันน้ำที่ท่านดื่มก็มักจะเป็นน้ำในลำห้วยลำทานเป็นต้นนี่คือสมบัติที่พระเจ้าต้องการให้พระมีไว้ใช้เพียงเท่านี้ก็พอสำากับลักการเลี้ยงชีพถ้ามีมากก็จะกลายเป็นภาระกลายเป็นกิเลสกลายเป็นความอยากแล้วมันก็จะแทนที่จะมาตัดกิเลสมาฆ่ากิเลส ก็กลับมาสะสมกิเลสให้มีเพิ่มมากขึ้นไป น, นี่ก็คือเรื่องสองเรื่องด้วยกันที่เกี่ยวกับการจําพรรษาคือธรรมเนียมประเพณีที่เราทํากันมาคือถวายผ้าน้ำฝนซึ่งสมัยนี้ผ้าน้ำฝนที่ถวายก็มักจะเป็นผ้าชิ้นเล็กๆ เ, เป็นผ้าเช็นหน้าซะมากกว่าเพราะคนไม่รู้ว่าถวายผ้า อาบน้ำฝนนี่ต้องอถอยผ้าขนาดไหนไปซื้อตามร้านคนขายเขาก็ไม่รู้ว่าผ้าอาบน้ำฝนมีต้องมีขนาดเท่าไหร่เขาก็เลยมีผ้าชิ้นเล็กๆเอามาห่อเป็นพุ่มเหลืองๆเท่านั้นเองซึ่งไม่สามารถนามาใช้เป็นผ้าอาบน้ำฝนได้แต่ในปัจจุบันเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำฝนกันเพราะว่ามีห้องน้าห้องท่ามีระบบน้าประปาส่งน้ามาถึงที่กุฏิถึงที่วัด การอาบน้ำฝนเลยไม่มีความจำเป็นในสมัยปัจจุบันก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมเป็นพิธีเท่นั้นเองถวายผ้าโดยถวายผ้าน้ำฝนแบบเป็นพิธีอาบน้ำฝนก็เอามาใช้อาบไม่ได้ผ้าก็ไม่ไดเอามาใช้อาบอีกต่อไปแต่เราก็ยังติดธรรมเนียมประเพณีอยู่เราก็เลยทากันมาเทีนก็เช่นเดียวกัน เทียนีนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนอกจากเวลาที่มีทำพิธีกรรมในโบสถ์ในศาลาถ้าจะใช้อ่านหนังสือหรือถ้าจะใช้เป็นแครงสว่างนําทางก็มักจะใช้ไฟฉายบ้างอยู่กุฏิก็มีไฟฟ้าใช้กันเทียนก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กันแต่ก็ยังทํากันมาตามประเพณีบางท่านก็ฉลาดปรับการถวายเทียนให้การถวายเป็นเครื่อง เป็นแสงสว่างแบบใหม่ถวายเป็นไฟฉายบ้างถวายเป็นหลอดไฟบ้างถวายเป็นถ่านถ่านไฟบ้างเป็นต้นเหล่านี้ก็ยังถือว่าเป็นการถวายเทียนจําพรรษาได้เหมือนกันนี่ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพรรษาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็อพอดีสมควรกับเวลาที่ได้กําหนดหน้อยคือเดี๋ยวนี้เราได้กําหนด การฟังธรรมไว้สามสิบนาทีด้วยกันเป็นช่วงแรกส่วนช่วงที่สองต่อไปนี้ก็เป็นช่วงปฏิบัติธรรมคือฟังธรรมแล้วเราก็ต้องปฏิบัติธรรมเราจะได้ได้ธรรมะครบครบสูตรฟังแล้วดูแล้ววิธีที่จะปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องนำมามาปฏิบัติเพราะถ้าเราฟังแล้วเราไม่ปฏิบัติผลที่เกิดจากธรรมที่เราได้ศึกษาก็จะไม่เกิด ผลที่เกิดจากการศึกษาธรรมนี้จะได้จากการปฏิบัติธรรมเช่นการทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งทำใจให้มีความสุขเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องอาศัยการหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลินกายต่อไปเพราะตาหูจมูกของลินินกายนี้เป็นของร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วเกาาต่อไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาจะตายนี้จะไม่สามารถ หาความสุขผ่านทางร่างกายได้แต่ถ้าเราสามารถทำสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็ยังสามารถมีความสุขได้ในช่วงที่เราแก่ในช่วงที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยและในช่วงที่เราตายเราจรึงต้องมาปฏิบัติสมาธิกันทำใจให้นิ่งให้สงบก่อนแล้วค่อยไปขั้นที่สองคือปฏิบัติวิปัสฉนาเจริญปัญญา แต่ก่อนที่จะไปเจริญปัญญาวิปัสสนาได้เราต้องผ่านขั้นสมาธิไปให้ได้ก่อนเราถึงค่อยไปขั้นปัญญาเราจึงเน้นการฝึกสมาธิในเบื้องต้นกันก่อนเพราะส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติก็มักจะยังไม่ได้สมาธิกันจึงต้องมาฝึกสติมานั่งสมาธิกันเวลานั่งสมาธินี้เป้าหมายก็คือทําใจให้นิ่งให้สงบไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องการ เห็นสวรรค์เห็นนิพพานเห็นอะไรต่างๆอันนั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งขั้นแรกนี้เราต้องการเห็นความสงบเห็นความนิ่งของใจเห็นความสุขที่เกิดจากความนิ่งเพราะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองอและการที่จะทําใจให้นิ่งให้สงบได้เวลานั่งต้องมีสติคือมีสติคอยกํากับใจให้ ปลูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการปลูกใจไม่ให้ไหลไปกับความรู้สึกค ว, ความคิดต่างๆถ้าเรานั่งไม่มีกรรมฐานไม่มีสติปลูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานใจเราก็จะลอยไปกับความคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดไปเรื่อยๆคิดไปจนเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาจนไม่สามารถทนนั่งต่อไปได้ นั่งแบบนี้นั่งไปจนวันตายก็จะไม่ได้ผลถ้าอยากจะนั่งให้ได้ผลคือให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้มีความสุขเวลานั่งต้องมีสติกำกับใจหรือผูกใจไว้กับกรรมฐานกรรมฐานนี่ก็มีหลายชนิดด้วยกันมีถึงสี่สิบชนิดแต่ที่เราใช้กันทั่วไปก็คือพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่คือการ บริกรรมคำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วถ้าไม่ไม่คิดได้สักพักหนึ่งใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้อันนี้เป็นเป็นกรรมฐานที่ที่มักจะมีคนนิยมใช้กันมากแต่ในเบื้องต้นถ้าใช้คำบริกรรมพุโทโธไม่ได้เพราะมันสั้น อยากจะสวดมนต์ไปก่อนก็ใช้แทนได้เพราะบางทีใจยังคิดมากอยู่ยังฟุ้งอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุโทโธก็ไม่ยอมอยู่ก็ให้มาสวดมนต์ไปก่อนแทนสวดในขณะที่นั่งสมาธินี่แหละสวดไปภายในใจสวดถึงบทที่เราจำได้บทสั้นบทยาวก็ได้สวดบทอิติปิโสก็ได้สวดบทแผเมตตก็ได้สวดอาการสาบสองก็ได้ เช่นผมขนแน้าฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นหรือสวดรลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อยๆก็ได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้สวดไปเรื่อยๆจนรู้สึกใจเบาใจสบายใจอยากจะหยุดสวดล้วก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจแทนก็ได้ หรือเปลี่ยนมาบริกรรมคำว่าพุโทโธพุธโทโธก็ได้การบริกรรมนี้จะบริกรรมช้าก็ได้เร็วก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมบางเวลาจิตคิดมากฟุ้งมากอาจจะต้องบริกรรมให้เร็วหน่อยบางเวลาจิตไม่คิดมากก็ไม่ต้องบริกรรมให้เร็วก็ได้หรือถ้าไม่อยากบริกรรมอยากจะดูเฉยๆอยากจะดูเฉยๆก็มาดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้ หรือนี่หรที่หน้าท้องก็ได้ดูเฉยๆไม่ต้องไปควบบังคับลมให้หายใจสั้นหรือหายใจยาวให้ให้ให้ดูไปเฉยๆใจลมจะเข้าก็รู้ว่าเข้าลมจะออกก็รู้ว่าออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวให้รู้ไปเฉยๆลมหายไปก็ให้รู้ว่าหายไปไม่ต้องตกใจให้ให้รู้เฉยๆไป ลมละเอียดเราไม่สามารถจับนมได้ไม่ต้องกลัวว่าจะตายไม่ตายอย่างแน่นอนเพราะช่วงนั้นใจกําลังจะก้าเข้าสู่ความสงบนั่นเองถ้าเราไม่เราไม่ตื่นเต้นตกใจเราดูไปเฉยๆดูที่เดิมที่ปลายจมูกแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่สมาธิได้วิธีอื่นก็สามารถนํามาใช้ได้ถ้าท่านถนัดวิธีอื่นกคยนั่งดูนั่งใช้วิธีไหนที่ทําให้ใจของท่านสงบ ท่้ก็สามารถเอาวิธีนั้นมาใช้ได้ในเวลาที่นั่งถ้ามีอะไรมากระทบมาเข้ามาสัมผัสให้เรารับสัมผัสรับรู้ก็อย่าไปสนใจถ้ามีภาพขึ้นมามีรูปอะไรขึ้นมามีอะไรต่างๆขึ้นมามีความคิดขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้ดึงใจให้กลับมาอยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆอย่าทิ้งกรรมฐานโดยเด็ดขาดถ้าอยากจะให้ใจนิ่งให้ใจสงบ ถ้าถ้าทิ้งกรรมฐานแล้วใจจะไม่มีวันนิ่งวั น, ว, นวันสงบได้นี่คือคือเคล็ดลับของการนั่งสมาธิให้เกิดผลให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วต่อไปนี้เราก็จะมาทำการนั่งด้วยการจเจริญสติผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งต่อไปจนกว่าจะหมดเวลาของการนั่งสมาธิ ตอนนี้เวลาสาหรับการ น, นั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วเป็นอย่างไรสงบไหมสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้สังเกตดูวิธีนั่งของวันนี้แล้วจดจำมาไว้คราวหน้าเวลามานั่งใหม่ก็ใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลยอย่านั่งแล้วไปอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบมันจะไม่ทาให้สงบ ต้องนั่งตามวิธีที่เราเคยนั่งที่ทำให้มันสงบถ้าไม่สงบก็แสดงว่าสติเรามีน้อยเราต้องสร้างสติให้มากขึ้นในระหว่างวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงหลับเราสามารถเจริญสติได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆหรือคอยเฝ้าดูว่าเรากาลังทำอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ใจไหลไปกับความคิดต่างๆาเวลานั่งสมาธิก็จะมีสติ ที่จะทำให้ใจสงบได้แล้วต่อไปนี้จะอนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวอิตทจินังเปตานังอุปปกักปติยิชิตังปัชิตังตุมหังคิดเมวะสมิจฉโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันะระโสยถามณีโชติระโสยถาสพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะโตอันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนัสิลิสานิจังวุฒาปจายโน ช่วงต่อไป น, นี้จะเป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถาม <c oughs> ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย <c oughs> เป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกต่อการถามตอบคำถาม ถ้าจะมาถามตอนที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วย mm. ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอพิชาโตสา3 y o อ t ส b e สพระสุชาติไลฟ์ส3 8 y o u t ส b e Dr.V Channel 5ดวิทยุออนไลน์15 Club House ฮ์สิ ผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิสอง้อยห้าสิบเอ็ดท่านรวมทั้งหมดหนึ่งพันสิบสามครับ <Okay. S 1> เชิญถามได้เลยครับวันนี้มีมาหนึ่งคำถามจากทาง YouTube กับเรียนถามพระอาจารย์ครับ เ, เนื่องจากดูข่าวที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับพระครับเราควรวางใจอย่างไรครับพระก็เหมือนกับคนธรรมดานี่แหละเพราะพระก็มาจากคนธรรมดา ยังไม่ได้เป็นพระแท้ถ้าเป็นพระแท้เป็นพระอริยบุคคลเช่นพระโสดาบันพระสกิดาคามีอันนี้จะไม่มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาให้เราได้พบได้เห็นงนั้นก่อนที่จะไปเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องผ่านการซักฟอกจิตใจก่อนนี้ก็เลยมีการถ้าจิตใจยังไม่สะอาดยังมีความโลภความอยาก ความโกรธความหลงอยู่มันก็ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่น่าดูปรากฏขึ้นมาดังนั้นเวลาที่เรามองพระเราต้องรู้จักแยกแยะว่ามีพระแท้กับพระปลอมเราอย่าไปมาว่าพระเจอพระปลอมรูปหนึ่งแล้ว่าคิดว่าพระปลอมนี้เป็นไปทั้งหมดพระก็มีทั้งดีและไม่ดีอาบน้ำเงินไปเหมือนกับคนในสังคม คนในสังคมนี้ก็เป็นคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีแต่เราขอให้พิจารณาเป็นรายๆายไปอย่าไปเมาแบบว่าที่โบราณเขาว่าประตูเน่าตัวหนึ่งก็โยนประตูทั้งเข่งทิ้งไปเราก็คัดเลือกประตูที่มันเน่าออกจากเข่งทิ้งมันไปประตูดีก็อย่าไปพึ่งไปทิ้งประตูดีก็มีเยอะแยะดังนั้นถ้าเราคิดว่าพระวันนี้ไม่เหมาะสมกับความเป็นสมณะ ต่อการเป็นครูบาอาจารย์ของเราเราก็ไม่ต้องไปไปหาท่านเราก็ไปหาพระที่เห็นว่าเป็นพระที่สามารถสั่งสอนเราได้พราความรู้ของท่านก็ดีความประพฤติของท่านก็ดีนั้นเป็นไปตามที่พูะเจ้าได้ทรงสั่งสอนนั้นเราก็ต้องมองด้วยปัญญารู้จักแยกแยะอย่าไปเหมาไปหมดปะทูเน่าตัวเดียวไม่ได้ทำให้ปะทูทั้งแก่งเน่าไปหมด ถ้าไม่ดีรูปเดียวไม่ได้ทําให้ภาพศาสนาไม่ดีไปทั้งหมดภาศาสนาที่มีดีก็มีเยอะแยะภาพที่ท่านทำความดีแต่ท่านไม่มาประกาศให้ให้โลกรู้ก็มีอยู่เยอะแยะสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนทําสาธารณประโยชน์ต่างๆให้กับประเทศชาติ mm hmm. ก็มีอยู่เยอะแยะไปเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยชอบตีข่าวเหล่านี้เพราะขายไม่ได้คนขายข่าวเขาต้องขายข่าวที่คนชอบซื้อ ชอบดูชอบฟังพอเราก็ชอบดูไว้าข่าวไม่ดีกัน <laughs> แล้วอะไรต้องหาข่าวไม่ดีมามาขายกันเท่านั้นเอง <Evet. S 1> ข่าวดีก็ไม่มีใครอยากจะดูเพราะเห็นคนที่ เ, เห็นคนอื่น ท, ท, ท, ที่เขาดีกับเราแล้วทําให้เรารู้สึกตกต่ําไงแต่ถ้าเราเห็นคนที่เขาชื่วกับเราเร็วกับเราเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราดีกว่าเขาเยอะแยะอคนถึงชอบดูข่าวของคนไม่ดีไม่ค่อยชอบดูข่าวของคนดีเท่าไหร่เพราะเห็นข่าวของคนดีแล้วรู้สึกทําให้เรารู้สึก น้อยเนื้อต่ําใจเราทําไมไม่ดีเหมือนเขาบ้างก็เลยไม่ค่อยชอบฟังข่าวดีกันไม่ชอบฟังข่าวของคนดีชอบฟังข่าวของคนไม่ดีกันนั่นก็ลองลองประมาณดูพระในวัดในประเทศมีกี่แสนมีกี่แสนรูปแล้วผู้ที่มาปรากฏเป็นข่าวนี้มีกี่กี่คนแล้วลองม า, าทําเปรียบเทียบดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ถึงหนึ่งเปอร์ซหรือไม่ของพระที่ไม่ดีพระที่ไม่เป็นข่าวอีกต้อง9ก้าบเปซนี้ ถ้าเราไม่ไม่ไปมองบ้างดันเวลามองอะไรก็ให้เรามองแบบทั่วถึงมองด้วยปัญญาอย่ามองด้วยอารมณ์ถ้าเรามองด้วยอารมณ์เราจะมักจะมองในสิ่งที่เรารักเราชังอันไหนที่เรารักที่เราชังนี่เราก็จะมองไปทางนั้นอันไหนที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่มองแต่ก็ต้องยอมรับว่าความเสียหายก็เกิดขึ้นได้แล้วก็คนที่จะแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น คำถามต่อไปจากคุณจาคนที่ตายไปแล้วไปเกิดเลยทันทีหรือรอการตัดสินตามบุญบาปก่อนครับถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยังไม่ไปเกิดทันทีดวงวิญญาณต้องผ่านอบายหรือสวรรค์ไปก่อนขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้ทำเอาไว้พอตายไปป๊บพอร่างกายไม่หายใจปั๊บนี้ดวงวิญญาณจะถูกบุญและบาปไปดึงไปก่อนถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็ดึงไปสวรรค์ถ้าบาปมีมากกว่าบุญก็ดึงไปอบาย แล้วพอพ้นพอไปใช้บุญใช้บาปหมดแล้วถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มอาจจะไม่น่านมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ก็ได้เพราะในจั ก, กรวาลนี้น่าจะมีโลกที่เป็นมีมนุษย์อยู่เยอะแยะไปที่เราไม่สามารถติดต่อกับเขาได้แต่ดวงจิตดวงวิญญาณนี้สามารถเดินทางได้อย่างชั่วแค่กรบพิปตาก็ไปถึงเพราะฉะนั้นถึงแม้โลกนี้อาจจะ ต่อไปโลกนี้มันก็จะต้องพังทลายไปเพราะทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงต่อไปคนที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดก็อาจจะตายไปหมดก็ได้แต่ดวงวิญญาณนี้ยังสามารถไปเกิดในโลกที่มีมนุษย์ในในดวงใ น, ในดวงดาวดวงอื่นต่อไปได้ฉะนั้นอย่าประมาทพยายามสร้างบุญสร้างกุศลแล้พยายามปฏิบัติธรรมเพื่อตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้จะดีกว่าเพราะว่า ถ้าตายได้ยังมาเกิดอยู่ตายนั้นก็ยังต้องเจอกับความทุกข์อยู่เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ก็อย่ากลับมาเกิดถ้าไม่กลับมาเกิดก็ต้องไปตัดกิเลสตัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็จะได้ไม่มีเหตุที่พาให้เรามาเกิดกัน คำถามต่อเนื่องครับแปลว่างานศพที่เราทําไม่ได้ทําให้คนที่ตายไปแล้วเพราะเขาเปลี่ยนภพภูมิแล้วใช่ไหมครับก็ยกเว้นว่าถ้าเขาเป็นเปรตพอเขาตายแล้วดวงวิญญาณเขาไม่มีบุญอ่อนที่จะให้เข้าไปสวรรค์เพราะตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ได้ทําบุญตอนนั้นเราก็สามารถช่วยดวงวิญญาณนี้ด้วยการทําบุญอุที่เท่กับเขาได้แต่ถ้าไป ถ้าไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรชาชฉานนี่ก็เราก็ช่วยเขาไม่ได้แต่ถ้าเขาเป็นดวงวิญญาณที่มารอรับส่วนบุญนี่เรายัางสามารถส่งบุญไปให้เขาได้อยู่ช่วยให้เขาได้ไปสวรรค์ได้เชิญเข้ามาได้ไหม ถ, ถ้าจะถามเดี๋ยวส่งไมโครโฟนมาให้บริการทั้งที่เลยครับครับ <c oughs> ครับเรียนพระอาจารย์ จริงหรือเปล่าก็เพื่อที่มีคนสอนว่าเวลาก่อนจะตายถ้ารู้ตัวเราคิดถึงสิ่งที่ดีๆคิดถึงพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงค์ไม่คิดถึงโลภกดลงเนี่ยจะไปไ ป, ไปสุคติจริงหรือเปล่าครับไม่จริงหรอกมันอยู่ที่บุญหรือบาปที่เราได้สะสมไว้มากกว่าอ๋อครับแปลว่าสอนมาไหมถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปสุคตอิอ๋อไม่จริงนะถ้าบาปมากกว่าบุญก็ไปทุกขติแต่ถ้าเราถึงพระพุทธพระธรรมถึงความดีได้เราก็จะตายอย่างสงบ ตายอย่างไม่ไม่ทรมานไม่หลงถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทําบุญเลยรอให้ชาติรอให้ลมสุดท้ายแล้วมันนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเป็นไปได้ก็เราก็ไม่ต้องมาทําบุญให้เสียเวลากันไม่มีคําถามนะคนมักจะเข้าใจผิดเพราะคิดอยากจะทําอะไรง่ายๆไงว่าเรารอเวลาเออ่หายใจ เพื่อสุดท้ายขอให้เราเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะไปสวรรค์ได้แต่ตอนนี้ขอกินเหล้าก่อน <laughs> มันเป็นไไม่ได้หรอกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจให้เราเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆพอเวลาใกล้ตายนี้ใจไม่มีสติมันจะกลายเป็นคนหลงคนอะไรไปเห็นคนที่ตายไมบางทีหลงละเลยหลง ร้องร้องห่มร้องไห้กลัวกลัวตายกันเนีเพราะไม่ได้ฝึกสติมาก่อนแต่ถ้าพวกเราที่มานั่งสมาธิกันนี้ทํานี้ได้ทุกวันเนี่ยโอกาสที่จะตายอย่างสงบนี่มีได้สูงมากเวลาตายเราก็เข้าสมาธิไปเวลาเรานอนติดเตียงไม่รู้จะทำอะไรก็ดูลมหายใจเข้าออกไปพุโทโธพุโทโธไปทําใจให้เรานิ่งแล้วใจจะปล่อยวางร่างกายได้เราจะตายอย่างสงบตายอย่างสบาย เราจะไปสู่พรหมโลกต่อไปด้วยถ้าเราได้สมาธินแต่เราต้องทําในขณะที่เรามีชีวิตอยู่อย่ามาเราทําใกล้าตายเพราะเวลามันไม่พอเหมือนกับนักมวยไม่ซ้อมทุกวันจะมาซ้อมแคช่ชั่วโมงหนึ่งก่อนจะขึ้นเวทีนี้มันไม่พอหรอกพอขึ้นเวทีก็ถูกเขาน็อกเท่านั้นเองแต่ถ้าเราซ้อมอยู่เรื่อยทําอยู่เรื่อยทุกวันจนชํานาญพอขึ้นเวทีแล้วก็สามารถต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของเราได้ พระเจ้าึงสอนให้เราอย่าประมาทให้เราเราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆคนเราจะตายนี้ไม่มีใครกำหนดรู้ได้ว่าจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายคืนนี้ก็ได้อาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้หรือเดือนหน้าก็ได้หรือปีหน้าก็ได้หรืออีกสิบปีก็ได้ไม่มีใครรู้ดังนั้นเราต้องคิดว่าเราอาจจะตายวันนี้จะดีกว่าถ้าเราคิดจะตายวันนี้เราจะได้รีบเตรียมตัวไว้ก่อน เอถึงเวลาตายไปเราก็จะได้ไม่ไม่ไม่หลงเราก็จะได้ไปสู่สุ่สุขติได้ต่อไปอให้เป็นคำถามนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมเชิญ ถ, ถามได้น ะ, ะเชิญเข้ามาหน่อยน ะ, ะส่งมาไปให้ข้างส่งส่งไปผู้ชายที่ใช้หรบอเปล่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีถามไหมคะ อานจะถามว่าถามอยังบังคับให้ถามว่าถามสักหน่จะถามเลยไม่ต้องก็ได้ไม่บังคับถ้าไม่ถามก็เวลาก็ใกล้จะหมดพอดีก็ขอยุติการถามตอบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติ